อุบาสกเล่าเรื่องให้ฟังสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสีแล้วเดินทางไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเดินทางไปจนถึงกีดาคิรีชนบทครั้นเวลาเช้าท่านครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปบินทบาทที่กีดาคิรีชนบท มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคูเข้าการเหยียดออกที่หน้าเลื่อมใสสายตามองทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถพวกชาวบ้านเห็นภิกษุนั้นแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุนี้เป็นใครดูคล้ายไม่ค่อยมีกำลัง เหมือนคนอ่อนแอเหมือนคนขมวดคิ้วก้มหน้าเมื่อท่านรูปนี้เข้าไปบินทบาทใครเล่าจะถวายอาหารบินทบาทส่วนพระอัศชิและพระอุณ ภ, ภสุกะของพวกเราเป็นคนอ่อนโยนพูดไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มก่อนมักกล่าวว่ามาเถิดและมาดีแล้วไม่ก้มหน้า หน้าตาชื่นบานทักทายก่อนใครๆก็อยากจะถวายอาหารท่านเหล่านั้นอุบาศกคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นกาลังบินทบาทในกีดาคิรีชนบทครั้นแล้วได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วกล่าวกับท่านว่าพระกุลเจ้าได้อาหารบินทบบาทบ้างไหมขอรับภิกษุนั้นตอบว่า อาตมายังไม่ได้อาหารเลยอุบาสกกล่าวนิมนต์ว่านิมนต์ไปเรือนกระผมเถิดขอรับแล้วพาภิกษุนั้นไปเรือนนิมนต์ให้ฉันแล้วถามว่าพระกุณเจ้าท่านจะไปที่ไหนขอรับภิกษุนั้นตอบว่าจเจริญพรอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาค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 ทำดอกไม e ้แผงประดับอกเองบ้างใช้ผู้อื่นทําบ้างภิกษุพวกนั้นนําไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนําไปบ้างซึ่งมาลัยต่อก้านนําไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนําไปบ้างซึ่งมาลายเรียงก้านนําไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนําไปบ้างซึ่งดอกไม้ชอบนาไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนําไปบ้างซึ่งดอกไม้พุ่ม นำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้เซอร์ตนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้พวงนำไปเองบ้างใช้ผู้อื่นนำไปบ้างซึ่งดอกไม้แผงประดับอกเพื่อกุลรศตรีเพื่อกุลธิดาเพื่อกุลกุมารีเพื่อสะพ้าของตระกูลเพื่อธาตุหญิงในตระกูลภิกษุพวกนั้น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 เล่นไถน้อยๆบ้างเล่นหกขะเมนบ้างเล่นไม้กังหันบ้างเล่นตวงสายด้วยใบไม้บ้างเล่นรถน้อยๆบ้างเล่นธนูน้อยๆบ้างเล่นเขียนไายบ้างเล่นทายใจบ้างเล่นเลียนคนพิการบ้างหัดขี่ช้างบ้างหัดขี่ม้าบ้างหัดขี่รถบ้าง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 ภิกษุผู้มีศีลพากันจากไปพวกภิกษุผู้เลวซามอยู่ครอบครองขอประทานวโรกาสเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่กีดาคิรีชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืไปในที่นั้นภิกษุนั้นรับคำของอุบาสกแล้วเดินทางไปกรุงสาวัตถี ไปถึงกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีโดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคนั่งลงหน้าที่สมควร